พระธรรมเทศนาแผ่นที่66ลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดกุฎอนธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่10มิถุนายน2557มีชื่อเรื่องว่าสมองลืมแต่ใจอย่าลืม วันนี้เป็นวันที่สิบมิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเมื่อวานหลวงพ่อไปงานสวดอภิธรรมท่านยกคุณราชวุฒาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุดรอีกวัฒท่านอายุ91ปี ตามปกติพระสงฆ์8ปปีก็ลาจากการทำงานเป็นฝ่ายปกครองจากนั้นก็เป็นที่ปรึกษาท่านท่านเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นรองเจ้า อ, อาวาสวัดโพธิสมพรด้วยอายุท่านเ1้าสิบเอ็ดปีท่านได้มรณภาพวันที่14ที่จะถึงนะวันนี้เป็นวันที่10นะวันที่14ที่จะถึง จะเป็นวันพระราชทานเพลิงศพของท่านที่วัดโพธิสมพรเมื่อวานหนวงพ่อก็ได้ไปแล้วก่อนหน้านี้ญาติโยมที่เป็นคณะกรรมาการอยากจะจัดพิธีทำเมนชั่วคราวแล้วก็คงจะมีอุปกรณ์ด้วยที่จะใช้ในงานศพของท่าน เขาก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเขาก็ขอการสนับสนุนจากวัดของเราเขาก็ถามแบบแบบตรงๆหลวงพ่อก็เออจะพอสนับสนุนได้ไหมหลวงพ่อขอหนึ่งแสนหลวงพ่อกอเออได้เพราะท่านเจ้าคุณก็เป็นปู่เป็นทวดของพวกเราเมื่อท่านป่วยที่ว่าเป็นโรคมะเร็งลุงตายยางให้ทั้งสมล้าน ที่ให้ท่านไปรักษาที่ประเทศจีนแต่ก็ไม่หายแต่ก็ทุเลาลงก็อยู่มาได้หลายปีนี่แหละอันนี้ก็คือท่านทวงตาให้ความเมตตาเพราะนั้นมาถึงจุดเราจะเป็นลูกเป็นหลานก็พอที่จะช่วยนสนับสนุนท่านได้ในงานศพของท่านแต่ก่อนหน้านี้เมื่อท่านมรณะภาพเราก็ได้เอาผ้าไตรไปถวายท่าน ตูงหลงพ่อ ก, ก, ก็จำไม่ได้ผ้าไตรสีไตรผ้าไม้สีไม้หรืออะไรลักษณะยังไงหรือว่8ก็ไม่ทราบแต่ไม่ได้ถวายปัจจัยเพราะว่าเราจะต้องดูดูก่อนแต่คราวนี้เราเอาผ้าไตรไปสีไตรผ้าไม้ไปสีไม้แล้วก็ปัจจัย1 0 0 0 0แสนบาทไปร่วมงานเพราะฉะนั้นพวกเราอนุโมทนาสาธุพรกันนคณะทายาิโยมพระเนทุกอง เป็นปัจจัยของวัดเราไปทําบุญงานศพของหลวงปู่แล้วก็หลวงพ่อขึ้นแสดงธรรมขึ้นเทศทําทแบบจับจุดขึ้นไปเห็นหลวงพ่อไปแล้วก็นิมนต์ ห, หลวงพ่อเทศหลวงพ่อกขึ้นไปเทศไปแสดงธรรมใช้เวลาอยู่30กว่านาทีมั้งก็ได้จตุปัจจัยรวมกันแล้วเกือบพ่าหมื่นเหมือนกันนะหลวงพ่อก็มอบให้อีก หมอบจตุปัจจัยให้ในงานท่านกันเทศของหลวงพ่อมอบให้หมดเมื่อคืนนี้จากนั้นก็กลับมาวัดสีทุ่มกว่ากว่าจะมาถึงวัดของเราได้เมื่อคืนนี้แต่ยังดีฝนไม่ตกตามถนนแต่มันตกก่อนตกก่อนที่เข้าไปแล้วก็ก่อนจะออกมามันก็ตกทางเปียกๆอยู่นี่แหละอันนี้ก็คือกิจการ เรื่องกิจนิมน์ของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ยังมานึกทบทวนอีกเหมือนกันนะขะาราชกาญาติโยมลูกหลานอายุของคนแปดสิบเกสปีก็หมดสภาพอย่างหลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวนี้เท่าไหร่กวกลูกหลานได้รู้ได้ทราบแต่หลวงพ่อก็ยังคิดอีกเหมือนกันการพูดและการแสดงความคิดเห็นต่อไปอาจจะเลือนลางไปเรื่อยๆอาจจะหลงลืมแต่เดี๋ยวนี้ หลวงพ่อเองได้พูดได้แสดงมาหลายกันเรื่องราวต่างๆแต่หลวงพ่อเขพยายามประมวลประมวลทบทวนในเรื่องที่ได้พูดมาเหล่านั้นจับเรื่องนั้นมาใส่เรื่องนี้จับเรื่องนี้มาใส่เรื่องนั้นพวกเราได้สังเกตไหมสรุปแล้วก็คือประมวลทวนความจําที่ได้พูดในเอมปีสามที่ผ่านๆมา บางทีก็ซ้ํากันบ้างบางทีก็เสียดเสียดกันบ้างบางทีก็จับต้นนั้นบ้างต้นนี้หน่อยต้นนั้นนิดต้นนี้หน่อยมาผสมประสานกันสรุปแล้วก็คือให้พวกเราทบทวนความจําที่ได้ยินได้ฟังมาก็เพื่ออะไรเพื่อให้พวกเรานําไปประพฤติปฏิบัติเป็นแนวความคิดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่อก็มาคิดอีกเหมือนกันแต่องค์หลวงตามหาบัวท่านก็แสดงธรรม เป็นช่วระยะหนึ่งพวกเราได้สังเกตมันเอ็มพสที่ท่านแสดงธรรมเทศพระเนี่ยก็ประมาณปีสากว่าปีสามสองปีสามหนึ่งสาสองท่านก็หยุดในการอบรมพระพูดให้พระจากนั้นก็เทศญาจมเลยญายมที่มาที่ศาลาท่านก็พยายามพูดที่ศาลามากจากนั้นก็หยุดอีก ท่า น, นก็ออกไปแสดงธรรมในช่วงทองคําเข้าคลังหลวงอันนี้ท่านออกไปแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆตัวนี้มากที่หลวงตาไปแสดงธรรมในที่ต่างๆมากแต่ดูๆแล้วก็ซ้ำซ้อนท่านลองประ ม, มวลมาฟังด้วยกันแล้วกันซ้ำซ้อนเพราะเหตุไรสมมุติว่าท่านมาเทศที่นาคําน้อยท่านก็พูดให้ฟังแต่เมื่อท่านไปเทศที่บ้านนายุง่ง พวกกลุ่มนั้นก็ไม่ได้เคยฟังไม่ได้มาฟังที่นาคําน้อยท่านก็เอาเรื่องเก่าไปพูดให้พวกนั้นฟังแล้วก็ไปเทศที่บ้านผือพวกบ้านผือก็ไม่ได้มาฟังที่นี่ท่านก็เอาเรื่องเก่าที่พูดในานาคําน้อยเนี่ยไปพูดให้บ้านผือฟังลักษณะอย่างนั้นอ่ะสรุปแล้วก็คือบางกันก็สลับซับซ้อนกันบ้างแต่ก็หลีกกันบ้างแต่ก็ไม่ไม่ได้ไม่เหมือนกับทองนโมทีเดียวนะ ไม่ได้ว่าทองนโมทีเดียวเพราะหลวงตาเนี่ยเป็นรร ม, มะกระถึกคือนักเทศอยู่แล้วท่านบรรยายอยู่แล้วท่านก็จับตนนั้นมาใส่ตรงนี้จับตรงนี้ไปใช้ตรงนั้นอันนี้ก็คือการแสดงธรรมขององค์หลวงตาถ้าพวกพวกเราได้สังเกตได้ฟังธรรมเทศนาของท่านทุกๆ ก, กันที่พวกเราได้ยินได้ฟังนี่แหละอันนี้หลวงพ่อเองก็ได้มาเปรียบเทียบเราก็ไม่ได้ถึงกับขั้นหลวงตาถึงขนาดนั้น แต่หลวงพ่อเองก็พยายามแนะแนวความคิดตัวเองได้ประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวอย่างไรมาก็หลวงพ่อก็พยายามเอาแนวความคิดเก่าๆมาประยุกต์หรือมาพูดให้คณะสัตยาญาติโยมโลูกหลานพระเนนเพื่อการศึกษาเพราะฉนั้นบางสิ่งบางอย่างอาจจะสลับซับซ้อนหรือว่าอาจจะเอาเรื่องเก่ามาพูดแต่หลวงพ่อก็พยายามเหมือนกัน ที่จะเอาเรื่องเก่ามาพูดให้น้อยที่สุดคือให้เสียดไปเสียดมาแต่ถึงยังไงก็เพื่อจากจะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อก็คงจะหยุดนะคงจะหยุดในการพูดแต่คงจะเอาเอ็มพีสามพูดแทนแนะเจนีแต่ถึงอย่างไงหลวงพ่อก็ยังคิดอีกว่านะเมื่อเท่าแก่ไปกว่านี้ความหลงลืมต้องมีเพราะสัญญาอานิจจานะ ขนาดหลวงปู่จามก็เถอะนะท่านก็ลืมเห็นได้ชัดเลยแต่หลงโพราอินละ่ะก็จะต้องไหลใตาตามเรื่องนั้นๆแต่ขนาดหลวงตาในดีหลวงลืมมีอยู่บ้างแต่ก็มีน้อยสัญญาของหลวงตามีน้อยมากแต่ถึงท่านจะเป็นผู้บริสุทธ์ก็เถอะแต่ท่านก็ใช้สังขารคือใช้สมองใช้สัญญาสัญญาอานิจจานี่นี่แหละ อย่างพระอัจารย์ชีเนี่ยพระอัจารย์ชีท่านก็หลงลืมแต่ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดก็คงเอ๊ะทำไมท่านเป็นพระอาหารหันต์ทำไมท่านจึงหลงลืมฮะท่านก็บอกกับลูกศิษย์ว่าเออเรานี่หลงลืมทําไมเราเป็นอย่างนี้วะให้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าด้วยซิว่าทําไม เ, เราจึงลืมเสีงว่าคำว่า มหาสติมหาปัญญาเนี่ยมหาสติเนี่ยคือว่าไม่หลงลืมแต่ทำไมเราจึงลืมแต่ในตัวของท่านเองท่านรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนแต่ท่านก็พูดให้ลูกศิษย์ที่สงสัยที่สงสัยในองค์ท่านไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าดูสิพระสงฆ์ทั้งหลายก็ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าบอกว่าพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ของเจ้าก็ผมให้มาทูลถามพระพุทธองค์ว่า ทำไมท่านจึงหลงลืมประวัติยังไงพระพุทธองค์ก็ได้พยากรณ์แล้วว่าโกนธัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามาอจเฉเชเนี่ยเป็นพระรหัน เ, เป็นผู้แตกฉานเตวิชโชสละผิญโยปฏิสัมพิทัปตโตฮะเป็นผู้แตกฉานในอัตในธรรมแต่ทําไมท่านจึงหลงลืมพระพองค์ก็ถามว่าให้ไปถามท่านอจเฉชชดูสิ ไตรลักษณ์อริยสัจลืมไหมไตรลักษณ์ก็คืออเนจังทุกขังอนัตตาลืมไหมอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรรจุดนั้นลืมไหมอี ต, ตรงที่ท่านได้บรรลุธรรมทำที่ท่านได้บรรลุธรรมน่ะท่านลืมไหมจุดนั้นทุกสิทธเนื้อ ก, ก, กลับไปถามอาจารย์พระพุทธองค์ให้ถามพระอาจารย์ว่าหลงลืมไหมจุดนั้น พระอาจารย์บอกว่าจุดนั้นไม่ลืมแน่นปึกในหัวใจของเราหลักธรรมจุดนั้นเราไม่มีการหลงลืมเลยในจุดนั้นมั่นใจจุดนั้นแต่ส่วนอื่นลืมพระพุทธองค์บอกว่านั่นนะสัญญาอเนจารับรองไม่ได้สัญญาคือความจําได้หมายรุน่นมันลืมได้แต่ว่าจุดที่หลักจริงๆนั้นจุดนั้นจะไม่ลืมอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา หลักทาคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นแนวให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาในแนวของพุทธะที่ท่านได้เคยพูดเคยตรัสมาแล้วแต่ถึงอย่างไรก็ตามหลวงพ่อเองก็ยังคิดอยู่ในใจเหมือนกันคงจะพูดไปทีละน้อยละน้อยต่อไปภายภาคหน้านะลูกหลานคณะจทธา ญ, ญาติโยมนะลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังในเมื่อหลวงพ่อแก่เท่าชรา ลงไปเนี่ยจุดไหนที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมพวกท่านทั้งหลายเห็นว่ามันผิดธรรมวินยัยหรือไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบธรรมเนียมประเพณีผิดต่อหลักธรรมวินยัยให้พวกท่านทั้งหลายต้องพยายามดูตรวจตาห้ามปราบเราอนุญาตเพราะว่าเราในช่วงนั้นอาจจะหลงลืมเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆูกท่าน มาอยู่ใกล้หลวงพ่อไม่ใช่ว่าทุกอย่างตามใจทั้งหมดไม่ใช่แต่บางเสียงบางอย่างที่การแสดงออกก็ดีการพูดก็ดีการกระทำก็ดีการคิดไปก็ดีเอ้หลวงพ่อของเราเนี่ยหลงปู่ของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะหลงลืมแล้วช่วงนี้หรือเป็นอย่างนี้อย่างนั้นพวกเราก็ตักเตือนบอกกล่าวได้เพราะเหตุหอะไรเพราะว่าการหลงลืมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา แต่มาถึงยังไงในหลักธรรมวิน่นัยในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกก่ที่จะบอกกล่าวตักเตือนผู้ใหญ่เราจะเหมือนตักเตือนเด็กไม่ได้อันนั้นคือผิดมลยาธหรือปรับวบัตรแก่ผู้บอกกล่าวอันนั้นเป็นธรรมดาเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีกฎมีเกณฑ์ทั้งหมดการที่จะบอกกล่าวลูกศิษย์ลูกหาเป็นยังไงการที่จะบอกกล่าวครูบาอาจารย์ปฏิบัติตนอย่างไร ก็เหมือนกับพ่อแม่ดุดาว่าเกล่าให้ลูกแต่ลูกจะไปดุดาว่าเกล้าให้พ่อแม่เหมือนกับท่านพูดให้เราอันนั้นแปลว่าขาดความเคารพขาดความยำเกรงแปลว่าไม่ดีถ้าเป็นอย่างนั้นในหลักธรรมวินัยก็ลักษณะอย่างนั้นให้พวกเราศึกษาศึกษาในหลักพระธรรมวินยัยเพราะนั้นหลวงพ่อเองหลวงพ่อคิด ในมุมนี้มันกันพราเห็นพระเก่าแก่ๆเท่าๆเข้ามาแล้วนะ่ะหลวงพ่อก็คงจะเดินไปในมุมนั้นอีกเหมือนกันในช่วงนี้หลวงพ่อแสดงความคิดเห็นได้พวกเราท่านทั้งหลายเวลาหลวงพ่อพูดพวกเราทั้งหลายก็ยังฟังอยู่แต่ไม่รู้ว่าฟังฟังอย่างไงหลวงพ่อก็ยังไม่มั่นใจดีกว่าไม่ได้ฟังดีกว่าเสียงนกเสียงนกกระรางร้องอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะนั้นขอ ให้พวกเราท่านทั้งหลายนะอันนี้เป็นแนวความคิดหลวงพ่อเป็นห่วงหลวงพ่ออีกเหมือนกันในอนาคตนะเพราะว่าหลวงพ่อจะแก่ไปข้างหน้าไม่จะไม่แก่ถอยหลังนะแก่ไปเรื่อยๆสัญญาสังขารทั้งสัญญาคือความจําได้ไม้รู้สังขารความปรุงแต่งของจิตใจสังขารภายนอกเท่าแก่ชลาไปเรื่อยๆผลทีนะ่สุดก็นั่นหละช่วยตนเองไม่ได้ในที่สุด ทำให้ตายง่ายถ้าหาว่าตายง่ายแล้วก็จบไปเพราะนั้นชีวิตที่ยังมีอยู่ในช่วงที่จะพอเป็นไปได้สิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกหมู่ทุกเหล่าพยายามทําสิ่งนั้นให้ถูกต้องเป็นธรรมแต่ก็ให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมพินัยให้อยู่ในกรอบหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าไม่ให้เหนือกรอบ รอบมียังไงก็คือหลักพระธรรมวินัยที่ท่านป่งบัญญัติไว้แล้วถ้าว่าเราเป็นภาคผู้เท่าเป็นที่เคารพนับถือของคนเราอยากจะทำอะไรเราอยากจะพูดอะไรต่อไปภายภาคหน้าลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังยังไม่แก่ได้เยยังไม่แกะนะ่นเอาเรียนแบบละ่ะ เ, เรียนแบบพระผู้เท่าละ่ะทำตามละ่ะ พอทําตามนะั่นเลยดูดูลำมันไม่น่าดูแท้เนี่ยเพรอะไรเพราะพระหนุ่มมาเรียนแบบพระที่มีอายุมากเรียนแบบได้อย่างไรนี่แหละบางทีลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์สมัยเมื่อท่านยังน้อยหนุ่มท่านก็วางตัวแบบเคร่งครัดอย่างองค์หลวงตาพอเมื่อท่านอายุมากแล้วเนี่ยท่านจะทําตัวเหมือนสมัยเมื่อท่านยังน้อยหนุ่มไม่ได้ท่านก็ต้องปล่อยวาง ตามอายุสังขารของท่านแต่ลูกศิษย์รุ่นแรกรุ่นกลางรุ่นสุดท้ายเนะี่ยจะแปลกแตกต่างกันนะเนความคิดความเห็นเพราะเหตุไเพราะว่ารุ่นแรกเนะี่ยเข้มงวดกวดขันนะพอเห็นท่านนะสยกเคยโดนดุมาแล้วเคยโดนตะพดมาแล้วทุกคนก็ต้องกลัวแต่พอมาช่วงสุดท้ายเนะี่ยคือคุณปู่คุณทวด หมดสภาพแล้วลูกหลานทําอะไรก่นแฮ่ๆถ้าจะด่าให้เขาแต่ละครั้งมันก็เหนื่อยสุดแท้แต่มันจะเป็นไปผลในสุดนะลูกหลานสุดท้ายภายหลังนี่ก็เห็นปู่ทวดเ อ, อไม่ดุไม่ว่าอะไรก็ได้ผลในสุดก็เลยทาําตามอําเภอใจทําตามมัดหายใจของตอนเองที่อยากจะทำํำนี่แหละทีนี้จุดนี้แหละเป็นจุดที่ออพวกเรา ท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้จุดนี้ที่ครูบาอาจารย์สมัยเมื่อน้อยหนุ่มท่านจะวางตัวอีกแบบนั้น่ เ, นเมื่อเท่าแกชราแล้วท่านช่วยตนเองไม่ได้แล้วท่านจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ท่านก็ต้องลดละปล่อยวางในการกระทำแนวความพูดในการเป็นอยู่ของท่านทุกอย่างลงไปเพื่อจะให้ผู้อยู่ใกล้ชิดจะวายใจ ไม่เครียดจนเกินไปแต่ตัวนี้พวกลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องนี่ยังมีกิเลสโลโภโกลงเลยพอจะฉากฉวยเรื่องอะไรนี่ยอยากจะได้เรื่องอะไรเนี่ยโดยมากมิแต่แย่งขี้กันเท่นี้แย่งขี้โลภขี้โกรธขี้หลงกันเท่านย้ผลในสู่ก็เลยยุ่งเหยิงวุ่นวายกันไปหมดเหมือนกับห้องเตห้องเตจะสวรรคนะ์ขดแพวกลูกน้องบริวารนะเป็นพักเป็นพวกกัน ครูบาอาจารย์เมื่อเท่าแก่ชรามาก็ลักษณะอย่างนั้นคล้ายอย่างนั้นอันนี้ให้พวกเราสังเกตดูนะอันนี้หลวงพ่อเป็นแนวความคิดของหลวงพ่อที่ใดสังเกตสังเกตดูนะแต่หลวงพ่อก็เป็นห่วงหลวงพ่ออีกเหมือนกันในจุดนี้นะดนัขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่พูดทางนี้ทั้งนั้นให้เป็นแนวความคิดให้ฝังลึกอยู่ในจิตใจให้เป็นแนวความคิดของพวกเราท่านทั้งหลายไปอยู่ทีสถานที่ใดเวลาใดก็ตาม อย่าชะล่าใจอย่าลืมตัวพูด ง, งา่ายๆเป็นผู้หู่มั่นในอัดในธรรมไว้อยู่เสมอเพราะนรกไม่เลือกใครทั้งนั้นแ่ะถ้าใครทําผิดพร้อมจะลงไปนรกได้สวรรค์ก็เหมือนกันไม่ได้เลือกว่าใครสนิทสนมกับพระพุทธเจ้าขนาดไหนก็เถอะถ้าทำความชั่วไปเนี่ยนรกก็เป็นที่ไปอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะสันดูนสถานที่ใดอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะรุกแล้วนะรับพรอ น, อนุโมทนาให้พร